พระโพธิสัตว์เนี่ยนะประทับนั่งณราวป่านั้นนั่นแลที่จริงท่านในคำพีเนี่ยน ะ, ะที่อื่นๆนในมหาสุปินะสูตรเนี่ยกล่าวไว้ว่าคืนนั้นน่ยก่อนที่จะรับอาหารของนางสุชาดาเนี่ยพระองค์เนี่ยฝันก่อนอ น, นั่นนะเรียกว่าเป็นสุบินนิมิตมหาสุบินนิมิตเป็นบุพานิมิตของพระโพธิสัตว์ พระองค์จะได้ตรัสรู้เนี่ยนะพันโดยรวมรวมแล้วพระองค์รู้ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันคืนเนี่ยหลังจากนี้ไปพระองค์จะตรัสรู้แล้วพันหลังจากที่พระองค์ฉันเสร็จก็ไปพักกลางวันอยู่หน้าราวป่าแห่งนั้น น, นะบางแห่งก็กล่าวว่าพระองค์ไปเจริญสมถะวิปัสนาอยู่ทั้งวันจนถึงเวลาเย็นพระองค์ก็รับญ้าแปดกรรมที่คนหาบญ้าชื่อว่าโสติยะ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 ผมก็เลยจับปลายหญ้าเหล่านั้นสะบัดหญ้าเหล่านั้นก็ได้เรียบเรียงเหมือนถูกกาหนดด้วยปลายแปรงทาสีเรียกว่าวางได้อย่างดีเนี่ยมันจะหมุนได้อย่างงดงามมากแล้วก็เรียบเรียงไว้อย่างสวยพระโพธิสัตว์ก็อธิษฐานความเพียรที่ประกอบไปด้วยองค์สีว่าอพอพอนั่งแป๊บอธิษฐานเลยว่าร่างกายนี่นะ มันจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระก็ให้เหนือดแห้งไปถ้าหากว่าไม่บรรลุโพธิญาณแล้วไม่ทําลายบาลังไม่ขอลุกก็จะเรียกภาษาหนึ่งว่าการนั่งครั้งนี้อ่ะถ้ากิเลสไม่ดับชีวิตก็ดับฟังกันเถอะมันก็มีอยู่2 อ, อย่างนะถ้าไม่บรรลุ ก, ก็สิ้นชีวิตแปลว่าขอตายอยู่ที่ตรงนี้แหละเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็นั่งโคบาลังนั่งขัดสมาธิ ประทับนั่งให้ต้นโพอยู่เบื้องพระปริสดารแปลว่านั่งหันหลังให้ต้นโพหันพระพักู่ทิศบุรพาหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกเนี่ยนะแต่ยังช่วงนั้นเนี่ยดวงจันทร์เริ่มโผล่แล้วขณะที่ดวงจันทร์เริ่มโผล่ขึ้นดวงอาทิตย์ก็รับขอฟ้าเนี่ยมารผู้รังควานโลกทั้งปวงก็เนรมิตแขนพันแขนขึ้นพยามาเนี่ยนะที่ที่หาช่อง ไม่ต้องการให้พระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะก็ขี่พญาช้างผู้กำจัดศัตรูตัวยงช้างชื่อว่าคิริเมฆละนะพาหงสหสมพิณนมมตสาพุทธันตังคีเมกลังเนี่ยนะก็คือคีเมฆละเนะี่ยก็คาถาแรกของพาหงแปดบทนั่นเองพญาช้างเนี่ยตัวใหญ่ขนาดร5 0โยต์เสมือนยอดเขาคีรีหิมวันเนี่ยนะนะแปลว่า เหมือนกับแม่ภูเขาหิมะเลยนะใหญ่เท่ากับภูเขาหิมพานนี่แหละถูกห้อมล้อมด้วยพลมาหนานแน่นยิ่งนะมีพลธนูพลดาพลขวนันพลซ้อนพลหอกเป็นกําลังครอบธรรมดนโดยรอบดุดภูเขายาตรานี่ย น, นะเรียกว่าญาตราหรื อ, อยกขบวนกองทัพเยื้องเข้าหาพระมหาสัตว์ผู้เป็นประดุษตรูใหญ่คือมองเห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นศัตรู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 ปล่อยอาวุธสารพัชนิดขึ้นมาเสร็จแล้วพระองค์ก็ด้วยจิตที่ไม่ประทุสล้ายด้วยใจที่เมตตาเป็นต้นของพระองค์เนี่ยอาวุธศัตรูเหล่านั้นทําอะไรพระโพธิสัตว์ไม่ได้ทําร้ายพระโพธิสัตว์ไม่ได้เลยกลายเป็นดอกไม้ไปบูชาพระองค์ทั้งหมดกระว่าถูกบูชาด้วยยอดโพอ่อนบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเสร็จแล้วในที่สุดตอนหนึ่งพญามารก็เลยบอกว่าบัลังเนี่ยมันของเรานะท่านจงลุกไป ขอบาลังนี่คืนพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าบาลังเนี่ยของเรามารก็บอกไม่ของเร า, าพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าเป็นบาลังของท่านท่านมีพยานอะไรบ้างไหมก็บอกมีเนี่ยบริวารบริวารก็เลยร้องกันสนันว่าบาลังเนี่ยของพยมานทีนี้พยมานก็ถามอะไรบาลังของท่านท่านรู้ได้ยังไงว่าบาลังของท่านพระโพธิสัตว์ก็บอกว่ารู้สิเพราะว่าบาลังของเราเป็นที่เราสร้างบารมีมาโปรองก็ระลึกถึงบารมีของพระองค์บอกว่า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 หลังจากนั้นพระองค์ก็เจริญอาณาปานสติเนี่ยนะเจริญอาณาปานสติเข้าฌานที่1 2 3, ึ่สามสนะออกจากฌานที่4ก็ระลึกชาติน้อมไปเพื่อการระลึกชาติเขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานยานที่ระลึกถึงขันห้าที่เคยมีมาที่เคยอยู่ในการก่อนระลึกได้1ชาติ2ชาติ3มชาติเป็นจนถึงโน่นนะอาธาดูตามนี้น่าจะระลึกได้เป็นอสงไขยอสงไขยนั่นแนหะ หลังจากนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็พิจารณาชัมระทิปจักสุยานก็คือพิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายพิจารณาหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมคือการพิจารณาที่เรียกว่าทิปจักสุเนี่ย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 เขบอกว่าต้องไม่มีชาติก็ไม่มีชาราและมรณะนะถ้าชาติไม่มีชาติจะดับได้เพราะอะไรดับก็พิจารณาว่าพบดับเป็นตน้นก็พิจารณาอย่างลงสู่อริยสัจเนี่ยนะพิจารณาว่ตะคือปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมวิวัตะก็คือปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างลงสู่อริยสัจพิจารณาอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงเนี่ยนะ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 เ, <personaje> <rua> เปล่งออกมาจากพระโอษฐแรกตรัสรูว่าเราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนายช่างผู้สร้างเรือนคือสร้างร่างกายเนี่ยนะตัวที่สร้างภพสร้างชาติคือตัวตัญหาเนี่ยเที่ยวแสวงหานายช่างคือตัญหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพคืออุปาทานขันห <geliyor> ้าเนี่ยนะเมื่อเที่ยวแสวงหาตัญหาอย่างเนียที่สร้างภพเนี่ยหาไม่พบเมื่อหา ตันหาเป็นต้นไม่พบก็ท่องเที่ยวไปสิ้นสงสารสิ้นสงสารก็คือสิ้นขันอาญตนะธาตุเนี่ยนับด้วยชาติไม่ใช่น้อยแปลว่าหาตันหาผู้สร้างวัดตะเนี่ยหาไม่พบเมื่อหาไม่พบก็ทิ้งขันธาตุอายตนะเนี่ยแมทไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติมากมายเหลือเกินแต่สรุปว่าจะเกิดกี่พบกี่ชาติก็บอกก็ตามความเกิดบ่อยๆเป็นทุกเกิดที่ใดเมื่อไร่อย่างไรไมันก็เป็นทุก์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 พบในที่นี้พบด้วยวิปัสนาญาณพบด้วยมัคคยานแล้วก็พบด้วยอรหัตตมัคคยาโน่นแหละรู้จักตัณหาดีพอเนี่ยต้องรู้จักด้วยอนุภาพของอรหัตตมัคจึงจะเรียกว่ารู้จักตัณหาจริงถ้าอรหัตตมัคไม่เกิดไม่รู้จักตัณหารกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบัดนี้เราพบท่านแล้วด้วยอนุภาพของอรหัตตมัคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจักสร้างเรือนคืออัตภาพอีกไม่ได้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 บัดนี้ใจของเราเนี่ยเข้าถึงอรหั ต, ตผลแล้วดํารงอยู่ด้วยอรหั ต, ตผลแล้วอันนี้ก็เป็นคาถาที่พระองค์เปล่งหลังจากตรัสรู้เนี่ยพอตรัสรู้เสร็จก็เปล่งเล ย, ยนะนกันเนกชาติสังสารังสันทวิสังอันนี้พิสังขหกาลังขเวสันโตทุกขาชาติปุนปุณังกหกาละก็ทิฏโธสีปุนาเคหังนักาสีสัพภาเต พาสุกาภคกขาคาหักูตังวิสังคตังวิสังขารค า, าตังจิตตังตนานังขยามัชคาเนี่ยนะเสร็จแล้วพอตรัสรูพ้พระองค์ก็ประทับนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะด้วยการเสวยวิมุติสุขตลอดเจวันเสวยวิมุติสุขนั่งนั่งเข้าพะละสมาบัติคืออรหัตผลสมาบัติเจวันพอถึงวันที่เจก็ออกจากอรหัตผลสมาบัติ ปฐมยามก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมมัชชิมยามก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมปชิมมยามก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปฐมยามผ่านไปพระองค์งก็เปล่งอุทานประกาศถึงพระองค์งเนี่ยรู้ทุกและสมุ ท, ทยัยมัชชิมยามพระองค์ก็พิจารณาถึงพระนิพพานปชิมมยามตอนรุ่งอรุณเนี่ยนะ พระองค์ก็กล่าวถึงอนุภาพของอริยมรรคที่กำจัดความมืดเขือวิชาได้เหมือนดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นกำจัดความมืดฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันที่8ดเนี่ยนะพอเปล่งเปล่งอุทานเสร็จวันที่แปดเนี่ยนะพระองค์ก็ออกจากสมาบัติตอนนั้นเนี่ยพวกเทวดาก็สงสัยความสงสัยของเทวดาก็บอกว่า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 พระองค์ก็ไปประทับยืนณะเบื้องทิศอุดรเบื้องทิศอุดรเยื้องทิศบุรพาจากบาลังเนี่ยก็แปลว่าอยู่ทิศอีสานเรียกว่าอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะตะวันออกแต่ว่าเฉียงไปทางเหนือที่ตรงนั้นพระองค์ก็จ้องดูบาลังและต้นโพสถานที่บรรลุผลแห่งพระบารมีทั้งหลายที่บำเพ็ญมาถึงสอสงไขยแสนกับด้วยดวงพระเนตรที่ไม่กระพริบ สถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะก็ไปได้ไปเคยไปห่มผ้านะเอาผ้าไปห่มเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็ขณะที่กำลังบูชาอะไรกันอยู่ค่ำๆพอดีฝนมันตกลงมาเนี่ยนะไม่มีที่ไปขอพึ่งนี่แหละขอพึ่งอะไรอนิมิสเจดีเนี่ยนะก็คือถ้าถ้ า, ถ, าถ้าตรงที่เดินลงไปที่สถานที่ทู้องค์ตัสรู้เนี่ยมันจะอยู่ขวาเมือมนจะเป็นเจดียอดอยู่หนึ่งที่ตรงนั้นเรียกว่าอนิมิสเจดี เป็นสถานที่ที่พระองค์ประทับยืนห่างห่างพอสมควรนะห่างพอสมควรเลยแหละจากต้นโพไปถึงอานนิมิสเจดีพอดีฝนตกก็เลยหลบไปฟังหลวงพ่อที่เบต ท, ท่านก็สวด ง, ม, ง, ม, ง, ม, งมของท่านจนฝนเลิกก็ได้จึงออกมาเจริญกุศลต่อวันก่อ น, ก, อนก่อนมาฆ่าบูชานะช่วงช่วงก่อนมาฆ่าบูชาสักวันหนึ่งนี่แหละฝนมันตกลงมา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 จะตั้งใจพร้อมกับการให้ทานตั้งใจพร้อมกับการรักษาศีลตั้งใจพร้อมกับการเจริญนี่คัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติ น, นะมีสัจจะมีอธิษฐานเพื่ อ, อด้วยเมตตาแล้วก็ดํารงอยู่ด้วยอุเบกขาบําเพ็ญบารมีทั้ง10อุป ป, ปารมี10ปรมัตตปารมี10มหาบริจักห้อธิฐานธรรม4คือบารมีคุณงามความดีที่ทํามาทั้งหมดตลอด4อสงไขย มาสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยนะมาสมบูรณ์สมความหวังสมความปรารถนาสมกับความต้องการณสถานที่ตรงนี้ก็ระลึกถึงคุณของสถานที่ตรงนั้นแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติมาจนได้ตรัสรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ก็พี่ดูอยู่นั่นแหะ น, นะ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 ประจิมในทิศตะวันตกของต้นโพเนี่ยนะทิศตะวันตกของต้นโพเอ่อเยื่องเยืงไปขวามือของต้นโพสักนิดนึงนะที่ตรงนั้นก็เรียกว่ารัตนคระเจดีพระองค์ก็ประทับนั่งขัดสมาธินนัพิจารณาเลือกเฟ้นอภิธรรม พ, พิจารณาตั้งแต่กุศลธรรมมากุศลธรรมมาพิจารณาอย่างละเอียดกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์นั่งพิจารณา7วันแบบไม่หลับเลยเนี่ยนะ แล้วก็ชาวนะของพระพุทธเจ้านี่รวดเร็วอย่างที่ว่าหายใจฮืดหนึ่งระลึกได้91กลับเนี่ยนะฮืดเข้าอย่างเดียวนะฮือดออกอีก91กลับถามว่าปัญญาวัยขนาดนั้นเนี่ยนะพิจารณาหยุด7วันเนี่ยจะพิจารณาขนาดไหนถ้าเอามาพิมพ์หมดเนี่ยนะบอกไม่บรอย่ญญางอภิธรรมที่เราเรียนเนี่ยมาฉบับสังเขปในความคิดของพระพุทธเจ้านะถ้าถ้าระดับปัญญาของพระพุทธเจ้าเราบอกโอ้ยฉบับสังเขปย่อจริงจริงเนี่ยนะที่ที่มาพิมพ์ๆเนี่ยเรียนเยนกันเนี่ยย่อมาก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 ในคำพีก็คืออ่านอักษรอ่านตามตำราแต่พระพุทธเจ้าอ่านเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคนขึ้นอยู่ที่สูงละดูเหมือนกับดูถนนหนทางยิ่งกว่าดูอะไรนะภาพถ่ายทางดาวเทียมะนะดูชัดเจนแล้วก็ตลอดและไม่ใช่โลกกะาะถเดียวด้วยในะโลกกะาะถอันหาประมาณไม่ได้แล้วก็ ใช้หลักการคือพี่ทำเจ็ดคำพีในการพิจารณาเนี่ยนะคือไม่นั่งไม่ใช่ลักษณะที่สํานวนว่าเสือกระดาษเนี่ยนะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นพิจารณาตามกระดาษไม่ใช่แต่พิจารณาตามสภาพที่เป็นจริงมีการไค้ครวนตลอดเนี่ยนะวันสุดท้ายก็พิจารณาคมภีปฐานเนี่ยนะพิจารณาปัฐานก็คือเอาปัจจัย24มาคูนลงติกะปัฐานทุกกะปฐานติกะทุกกะแล้วก็มีสภาพทำในในโลกธาตุทั้งสิ้น พร้อมทั้งพระนิพพานเนี่ยนะมีการพิจารณาไครครวนโดยนัยะไม่มีที่สิ้นสุดเราะนั้นหลังจากพิจารณาคัมภีสมันต์ปัตฐานเนี่ยนะสมันต์แปลว่าโดยรอบปัตฐานแปลว่าที่ตั้งนะที่ตั้งโดยรอบเนี่ยนะพิจารณาอย่างเนี้ยจนพุทธรัศมีออกเรียกว่าพุทธรังศีเนี่ยนะพุทธรัศมีก็ออกจากพระวรกายเนี่ยนะก็อันนั้นแหละที่รัตนคระเจดีฐานที่ตรงนี้ก็เคย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 นี่หลังจากนั้นเนี่ยนะสัปดาห์ที่5พระพุทธเจ้าก็ยับยั้งอยู่ตรงใกล้ต้นโพเนี่ยสสัปดาเนี่ยนะสสัปดา ห, สดาห์สัปดาห์ที่5พระองค์ก็ออกจากโคนต้นโพเสด็จเข้าไปยังต้นอะชะปละนิโครธแม้ณสถานที่ตรงนั้นพระองค์ก็พิจารณาเลือกเฟ้นธรรมก็คือพิจารณาอริยสัจจะรมพร้อมกับสลบับกับการเข้าสวยวิมุตติสุขคือเข้าอารหัตผลสมาธิเนี่ยนะ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 แต่ถ้าไปเจอหน้าหน้าหน้ า, นามีน้ําก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเต้องไปหน้าแรงอะ่ะจึงจะเติมเพรามันอยู่ท้องนาเนี่ยนะท้องน้ํามีมสระน้ําอยู่ที่หนึ่งตรงนั้นเขาก็เรียกกันว่าสระมุดเจรินเนี่ยนะส่วนสระมุดเจริญจาลองก็อยู่ข้างๆซ้ายมือ น, น, นั่นแหละขณะที่พระองค์ประทับนั่งอยู่ที่ต้นมุดเจริญเท่านั้นนะนะมหาเมฆซึ่งไมิใช่ฤดูกาลก็เกิดขึ้น เต็มทั่วห้องจั ก, กรวนันอันนี้เป็นปกติว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะเมฆมันจะก่อตัวตั้งขึ้นทั่วห้องจั ก, กรวนันอย่างของเราที่รู้รกันก็เมฆหนาแค่2030ิกิโลเนี่ยนะแต่ น, นี่มันเมฆมันตั้งคือทั่วจั ก, กรวนันเป็นเมฆไปหมดเลยนะนะมหาเมฆ ก, ก็เกิดขึ้นพญานาคเชื่อว่ามุตเจลินก็คิดว่า เมื่อพระาศาสดาพอเสด็จเข้าสู่พบของเรามหาเมฆนี้ก็เกิดขึ้นควรได้อาคารที่ประทับอยู่สําหรับพระาศาสดานั้นพญานาคแม่นั้นก็สามารถเนรมิตวิมานที่ให้เหมือนวิมานเทพอันสําเร็จด้วยรัตนเจประการจริงๆความสามารถของพญานาคเนรมิตอะไรก็ได้แต่ก็คิดว่าเมื่อเราสร้างวิมานด้วยการเนรมิตอย่างนี้จะไม่มีผลมากเรียกว่าเหมือนกับอะไรนะ คือคอืเหมือนกับคนใช้แต่เงินทำบุญอย่างเดียวมันก็ไม่ได้บุญมากเหมือนกับขวนขวายด้วยกายอะไงี้ยแต่ไม่เหมือนกับขวนขวายด้วยกายเนี่ยนะสมรรมติเราจะทำบุญด้วยซื้อหนังสือแจกกับอ่านหนังสือเองอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันยังไงลักษณะเนี่ยการขวนขวายของพญานาคก็ลักษณะนั้นก็ขวนขวายด้วยกายเพื่อพระทศพลคือพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยกําลังสิบประการจึงทําอัตภาพให้ยิ่งใหญ่ ล้อมพระศาสดาไว้ด้วยขนด7ชั้นเนี่ยนะล้อมไว้เจชั้นแผ่พังพานไว้ข้างบนก็พังพานนี่ก็เป็นหลังคาครอบเนี่ยนะไอตัวที่ล้อมรอบก็เป็นเป็นฝาไปแต่สถานที่ตรงนั้นเนี่ยพระองค์ก็ประทับอยู่บนบัลลังก์ที่มีค่าที่สําเร็จด้วยรัตนเจ็แต่ว่าอยู่ในห้องก็ไม่ใช่ว่าแม้กลิ่นคาวคละคลุ้งอะนะปกติแล้วคําว่างูเนี่ยมันมีกลิ่นแรงก่อนข้างกลิ่นเนี่ยก้อนข้างคาว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 เหมือนอะไรในในห้องนั้นก็เหมือนกับประทับอยู่ในพระคันทกุติคันธาตนี่แปลว่ากลิ่นนะกุติก็คือกุติที่อบด้วยกลิ่นคือกุติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโดยปกติแล้วเขาจะอบด้วยกลิ่นอยู่ตลอดแล้วก็ไม้ที่เอามาสร้างกุติพระพุทธเจ้าโดยมากใช้ไม้หอมเนี่ยนะแล้วก็มาอบหอมอีกครั้งหนึ่งนะพระองค์ก็จะอยู่ด้วยกลิ่นหอม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 กล่ว่าในบรรดาผู้สมบูรณ์ด้วยสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ประณีตที่สุดเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่รับสัมผัสที่ประณีตที่สุดเพราะว่าบุญที่สั่งสมมาเนี่ยนะแม่มันแย่งกันมาให้ผลน่ยนะบุญที่ทําไว้เนี่ยเ ส, ยสงไข่แสนกลับเนี่ยนะกลัวจะไม่ได้ให้ผลเราเป็นแย่งกันมาเหมือนกับอะไระแม่น้ําที่มาบรรจบหลายๆสายเนี่ยล้นมาเลยอ่ะ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 หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จต่อไปอยังต้นราชาเยตนะคือต้นเกตอีก7วันพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่นั้น น, นะพิจารณาธรรมเสวยวิมุตติสุขดังกล่าวมานี้ครบ7สัปดาหปอดีอ น, นะสัปดาห์ที่1ปัทมังโพธิบัลังเกก็คือสัปดาห์ที่1โพธิบัลังสัปดาห์ที่2อนิมิสสะเจดีสัปดาห์ที่3รัตนาจังกมะเนี่ยนะก็คือการเดินจงกรมระหว่าง สถานที่ตรัสรู้กับที่ประทับยืนดูเนี่ยนะอีก7วันสัปดาห์ที่4รัตนคระเจดีพิจารณาพิธรรมสัปดาห์ที่ห้าอชปัลณิโครสัปดาห์ที่6สัมมุจลินสัปดาห์ที่7ราชายาตนะคือที่โคนต้นเกตครบ7สัปดาห์พอเจสัปดาห์ผ่านไปก็ครบ49วันใช่หมเจ็ดเจ็ครบ49 49วันแล้วพระองค์ก็ คิดจะบวชนพระโอสถเนี่ยนะคิดจะบวชนพระโอสถเท้าสั ก, กะจอมถวยเทพก็นําผลสมอที่เป็นยาเนี่ยมาถวายคือพระ อ, องค์ก็จะได้ขับถ่ายเพราะว่าไม่ได้ขับถ่ายมาตลอด49วันเนี่ยนะครั้งนั้นเท้าสักกะก็ถวายไม้สีฟันชิวรนนาคาดาที่อ่อนนุ่มก็คือเป็นไม้ชําระฟันอย่างดีเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยายาเกี่ยวกับเรื่องยาเกี่ยวกับเรื่องฟันเนี่ยนะที่กลุ่มยาสีฟันก็ไม่มียาไหนจะดีกว่านี้อีกแล้ว แต่แล้วพระองค์ก็เคี่ยวไม้สีฟันบ้วนพระโอษฐ์เท้าสกาก็ถวายน้ําบ้วนพระโอษฐ์แด่พระองค์คือเคี่ยวไม้สีฟันเสร็จก็กเหมือนกับแปลงฟันอะนะแล้วก็บ้วนพระโอษฐ์ทิ้งไปจากนั้นพระองค์ก็เคี่ยวไม้สีฟันบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ําจากสระอโดดาดก็เป็นน้ําสะอาดที่สุดที่ ท, ที่ที่เป็นน้ําดีเนี่ยนะประทับนั่งณนโะคนต้นราชายาตนะิณะสมัยนั้นเท้าจตุโลกบาลก็น้อมบาดศิลาเนี่ยนะมีค่ายิ่งเข้าไปถวาย คือขณะนั้นนะนะขณะที่พระองค์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นเกตเนี่ยตปุสกากับพลิกะเนี่ยก็ เ, เป็นพ่อค้าเนี่ยนะพ่อค้าเขาก็เชื่อว่าพ่อค้าสองคนเนี่ยตปุสกากับพลิกะเนี่ยเป็นชาวพม่าเขาเชื่อว่าชาวพม่าไปค้าขายอยู่ที่ไปค้าขา ย, ยที่อินเดี ย, ยเนี่ยนะซึ่งพม่ากับอินเดียก็ไม่ได้กไกลอะไรกันมากเนี่ยนะไม่ได้ไกลอะไรกันมากก็ไปค้าขายทีนี้ไอ้ระหว่างที่ผ่านไปแถวแถวต้นเนี่ยต้น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 เพราะฉะนั้นก็ไม่มีบาดพอไม่มีบาทเท้าจตุโลกบาลก็เอาน้อมบาดสีใบเข้าไปถวายพระอง์ก็ประจุไปเหลือบาทใบเดียวอที่ฐานทําให้เป็นบาทใบเดียวเนี่ยนะพงก็เอาบาทนั่นแหละไปรับศัตรูผงกับศัตรูก้อนเนี่ยนะจาตบตปุสะกับภลิกะตอนนั้นตปุสะภริกะสองคนก็ปฏิญาณถึงสารณะสารณะสองเนี่ยนะพุทังสารณังฆาชามิกับธรรมังสรารนังฆาชามิ แล้วก็ขอว่าขอแค่ขอที่ระลึกกันนะสมัยนี้ก็คือขอที่ระลึกอะ่ะพระองค์ก็เลยรูปพระเกศาก็ให้พระเกศาธาตุไปก็สองคนนี้ก็มาสร้างสร้างเจดีเจดีนี้ที่เรียกว่าเวดากรเนะี่ยเจดีชเวดากองก็คือเจดีที่มาจากเส้นพระเกศาธาตุเนี่ยแหละหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้หลังจากที่พระองค์เนี่ยน ะ, ะรับอย่างนั้นพระองค์ก็สวยเสร็จ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 ลุ่มลึกเนี่ยลึกขนาดไหนลึกถึงขนาดโลกุตรธรรมอ่ะเป็นธรรมที่พ้นจากโลกเป็นธรรมที่พ้นจากวัตตะมูสัตว์เนี่ยรู้เฉพาะเรื่องกับวัตตะเท่านั้นอ่ะธรรมที่พ้นจากวัตตะนี่ถือว่าลึกจริงๆนั้นก็เลยเกิดปริวิตรกที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จับปริวิตรกเช่นนี้เหมือนกันหมด น, นะวิตกถึงความที่พระองค์เนี่ยประสงค์จะไม่แสดงธรรมโปรดผู้อื่น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 แต่ธรรมะอย่างนี้บัณดิตเขาก็รู้ได้เนี่ยนะปกติแล้วบัณดิตก็รู้ได้